วันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิบสามในสายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งกำหนดไว้ ให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมได้หยุดทมภารกิจทางโลกคือการหาสตังวันนี้ให้หยุดหาสตังหนึ่งวันเพื่อจะได้เอาเวลามาหาสติเพราะสตินี้สำคัญกว่าสตัง สตางนี้เป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ของร่างกายมีสตางก็สามารถที่จะเอาเงินไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆได้แต่เป็นทรัพย์ของร่างกายเวลาร่างกายตายไปทรัพย์เหล่านี้ใจเอาไปไม่ได้เลย สิ่งที่ใจจะเอาไปได้ก็คือทรัพย์ภายในแลการที่จะมีทรัพย์ภายในก็ต้องมีสติถ้ามีสติแล้วก็มีเวลาก็สามารถเอาเวลาเช่นวันนี้เอาเวลามาให้กับการสร้างสติสร้างทรัพย์ภายใน แล้วเราจะได้มีใจจะได้มีทรัพย์ภายในติดตัวไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว <c oughs> ถ้ามัวแต่เอาเวลาไปหาสตังไม่เอาเวลามาหาสติหาทรัพย์ภายในเวลาร่างกายตายไปทรัพย์ของร่างกายไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ก็จะกลายเป็นทรัพย์ของคนอื่นไปใจไม่สามารถเอาทรัพย์ทางร่างกายไปได้เลยแม้แต่บาทเดียวสิ่งที่ใจจะเอาไปได้ก็คือทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทให้หยุดการหาทรัพย์หาสตัง หาทรัพย์ภายนอกกันหนึ่งวันเพื่อจะได้เอาเวลามาหาทรัพย์ภายในด้วยสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะหาทรัพย์ภายในได้คนที่ไม่มีสติคือคนแบบไหนก็คือคนเสียสติคนบ้านคนบ้า น, นี้ไม่สามารถที่จะหาทรัพย์ภายในได้ หรือคนเมาคนดื่มสซดายาเมาแล้วก็จะไม่มีความสามารถที่จะหาหาหาทรัพย์ภายในได้หรือคนที่เสียหมดสติคนที่หมดสติเช่นจะสลบหมดสติไปหรือนอนหลับไปคนเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะ หาทซั์ภายในได้ต้องมีสติอย่างพวกเราที่กําลังนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้เรามีสติเราจึงมีความสามารถที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้วิธีหาทรัพย์ภายในกันทรัพย์ภายในที่พระเจ้าได้ส่งสอนนี่ ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันเริ่มตั้งแต่ระดับที่เราเป็นอยู่กันขณะนี้เราเป็นมนุษย์เรามีมนุษย์สยัญญาซับกันเป็นสมบัติเราจึงเราจึงดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ได้เพราะว่าเราเรามีมนุษย์สยัญญาซับท่าสูงกาม ทัพย์ของมนุษย์ก็คือเทวทรัพย์ก็คือทรัพย์ของเทวดาที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็สามารถเปลี่ยนจากมนุษยทรัพย์ไปสู่เทวทรัพย์ได้เพราะเทวทัพย์นี้ให้ความสุขมากกว่ามนุษยทรัพย์ สูงกว่าเทวรับซั์ที่มีคุณค่าราคาให้ความสุขมากกว่าเทวรับ<ม>ก็จะมีพรหมรมัพทซั์ของพรห ม, รมคือการเป็นพรหมเร<ม>ียกว่าพรหมรัม์แล้วสูงกว่าพรหมขึ้นไปซั์ที่ให้ความสุขมากที่สุด<ม>ก็คืออริยรัพทซัพ์ของพระโสดาบันพระสกิรดาคารี พระ อ, อนาคามีพระอรหันต์พออาาระ พ, พุทธเจ้าตามลำดับเหล่านี้แหละคือทรัพย์ภายในทรัพย์ที่จะให้ความสุขความสำราญความเบิกบานให้แก่จิตใจเราจึงควรที่จะหาเวลาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะมีเวลา ให้กับการหาทรัพย์ภายในกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่สามารถที่จะหาทรัพย์ภายในได้ถ้าเราเอาเวลาไปหาทรัพย์ภายนอกไปหาความสุขทางทางร่างกายกันเช่นวันหยุดวันพระแทนที่จะเข้าวัดมาหาทรัพย์ภายในถ้าไม่ได้ทำงานก็เอาเวลาไปหาความสุข ทางตาหูจมูกเนื้อกายกันไปเที่ยวไปตามตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดื่มไปรับประทานอาหารอะไรต่างๆไปดูไปฟังมหัศรศ บ, บันเทิงอะไรต่างๆถ้าเราเอาเวลาที่เรามีอยู่นี้ให้กับความสุขทางร่างกายให้เวลากับการหาทรัพย์ทางร่างกายเราจะไม่มีเวลา ที่จะมาหาทรัพย์ภายในเลยอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันนี้เป็นควรจะให้เวลากับการหาทรัพย์ภายในกันถ้าเราอยากจะมีทรัพย์ติดตัวไปถ้าเราอยากจะมีมนุษยสยทรัพย์ต่อไปสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบุญที่เราต้องทำคืออะไรบุญที่จะรักษาให้เราเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆก็คือการรักษาศีล การละเว้นจากการกระทำบาปและการเสพอบายามุขนี่เป็นสิ่งที่จะปิดกัน้นไม่ให้เราสูญไม่ให้จิตใจเราตกต่ำไปสู่ภพภูมิที่ที่เลวสามภพภูมิที่ที่มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข ที่เราเรียกว่าอบายสี่คือพบของสัตว์เดรัจฉานพบของเปรตพบของอสุรกายและพบของนรกถ้าเราไม่รักษาศีลกันถ้าเราไม่ละ เ, เว้นการเสพอบายอมุกกันการกระทำเหล่านี้การกระทำบาปการเสพอบายอมุก จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราสูญเสียมนุษยรัพย์ไปแล้วเราก็จะต้องไปรับทรัพย์ของอบายแทนไปรับโทษของอบายอบายไม่ใช่เป็นที่ไปรับทรัพย์ อ, อบายนี้ไม่ถือว่าเป็นทรัพยถือว่าเป็นเหมือนคุกตารางมากกว่าเพราะเป็นที่จะลงโทษ เป็นที่จะสร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่กระทำบาปต่างๆนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษามนุษย์เสยทรัพย์ที่เรามีอยู่ในตอนนี้ตอนนี้เรามีร่างกายเป็นมนุษย์ใจของเราจะเป็นมนุษย์หรือไม่อยู่ที่ว่าเรารักษาศีลได้หรือไม่ด้าเว้นการเสพอบายามุกได้หรือไม่ mm hmm. เช่นวันพ่าวันนี้เรามา รักษาศีลละอบายามุกกันได้หรือไม่อบายามุกก็มีอยู่ห้าอย่างด้วยกันคือการดื่มของมูเลเมาสุรายางเมานี้เรียกว่าเป็นอบายามุกอย่างการเล่นการพนันสามการเที่ยวกลางคืนหรือการเที่ยวต่างๆสี่ความเกลียดคร้านห้า การครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นนิสนี่คือเหตุที่จะทำให้เราไปไปอบายได้เหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปเพื่อที่เราจะไปอบายต่อไปเพื่อที่เราจะสูญเสียทรัพย์ของมนุษย์เราจะกลายเป็นอย่างอื่นแทนที่จะเป็นมนุษย์เราก็อาจจะกลายเป็นเดรัจฉานถ้าเราทำบาปด้วยความหลง ถ้าเราถ้าเราทำบาปด้วยความโลภเราก็จะเป็นเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นจองเวรจองกรรมเราก็จะไปนรกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของเรา ถ้าเราไม่ละเว้นการเสบอบา ย, ยมุกถ้าเราไม่ละเว้นจากการกระทําบาป ก, การเสบอบา ย, ยมุกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นการดึงให้ใจไปยืนอยู่ทางเข้าของอบายอบายแปลว่าที่ไปที่อยู่ของสัตว์ในราชาญเป็นต้นมุกแปลว่าทางอ้าประตู ประตูของอบายเขาเรียกว่าแปลว่าอบายยมุกผู้ที่ไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูนี้ก็จะเข้าประตูไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลจากประตู่ังนั้นถ้าไม่อยากจะเข้าอบายไม่อยากจะไปอบายอย่าไปยืนอยู่ใกล้ทางเข้าของอบายก็คืออย่าไปเกี่ยวข้องกับอบายยมุกพอเมื่อไป เกี่ยวข้องไปเสพอบายามุขแล้วก็จะไม่มีสติหรือก็จะไม่มีกําลังที่จะต้านความอยากที่จะไปทําบาปได้เพราะอบายามุขนี้จะเป็นตัวที่สร้างความอยากให้ไปทําบาปนั่นเองเช่นถ้าเราดื่นสุรายาเมาแล้ว เ, เกิดอาการมึนเมาขึ้นมา เราจะไม่มีสติคอยควบคุมความคิดของของเราได้เราคิดอะไรขึ้นมาเราก็มักจะปล่อยออกมาทางกายทางวาจาทันทีเวลาจะพูดคิดจะพูดคำหยาบ ก, ก็จะปล่อยออกมาทันทีคิดจะทำร้ายข้าวของทรัพย์สินหรือทำร้ายผู้อื่นก็จะทำทันที อันนี้เป็นทิศเป็นผลที่เกิดจากการไปเสพสุรายาเมาทำให้ขาดสติคาว่าสติก็คือไม่มีความสามารถที่จะยับยั้งควบคุมการกระทาของกายวาจาใจได้ <Yeah. S 2> เวลาดื่มของมุนเมา้นไปแล้วมักจะไม่มีสติควบคุมอารมณ์เวลามีอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีก็ระบายออกมาด้วยวาจา และการกระทาที่เสียหายต่อผู้ถ้าไม่ดื่มสุราก็จะมีสติสัมปชัญญะ<ม>ที่จะสามารถคอยควบคุมการกระทาทางกายทางวาจาทางใจไม่ให้ไปทำให้เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้นั่นเอง<ม><ม>ดังนั้น ต้องพยายามละเว้นการดื่มสลายามเมาให้ได้ถ้าละเว้นได้แล้วโอกาสที่จะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิประเพณีไปพูดปดนี่มันก็จะยากทําได้ยากกว่าคนที่ไม่เมากับคนเมานี่ย<ม>จะต่างกันคนไม่เมานี้จะเป็นคนที่เรียบร้อยกว่าคนที่เมาคนที่เมาแล้วจะเป็นคนที่ไม่มี การควบคุมวาจากายวาจาใจของตนจะพูดจะทำอะไรมักจะไม่เรียบร้อยมักจะไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อย่างนั้นจึงควรที่จะละเว้นการเสพบอบายามุขและละเว้นการกระทำบาปด้วยอบายามุขอย่างอื่นก็เป็นเหมือนกัน พบายามุกเล่นการพนันมันก็จะทําให้เรานี้หมกมุ่นอยู่กับการเล่นการพนัน<ม>เวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อไป<ม>เวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อ<ม>แล้วพอเสียจนไม่มีทรัพย์แล้วก็จะต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ขายบ้านขายทรัพย์สินอะไรต่างๆขายที่ดิน<ม>เพื่อที่จะได้เอาเงินมาเล่นต่อ แล้วนที่สวดก็จะหมดเนื้อประดาเส้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรไม่มีรายได้ก็เลยต้องไปหารายได้ด้วยวิธีการกระทำบาปนั่นเองไปลักทรัพย์ของผู้ไปชอไปชอบโกงไปหลอกลวงผู้นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทำกันคือการเล่นการพ น, นันการเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะว่ามันไม่มีรายได้ มีแต่รายจ่ายเที่ยวไปก็ต้องเสียเงินเสียทองไปไม่ได้เงินกลับมา mm hmm. ไม่มีรายได้เที่ยวบ่อยๆเดี๋ยวก็เงินทองก็จะไม่พอใช้พ mm hmm. อไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินทองโดวยวิธีทำบาป mm hmm. ความเกียดข้างก็เหมือนกันความเกียดค้างก็คือไม่ขยันทำงานทำการทำมาหากิน mm hmm. ชอบเล่นชอบ ทำอะไรที่ไม่มีรายได้ไม่ชอบทำงานไม่มีความขยันมีการทำมาหากินเงินทองก็จะไม่พอใช้แล้วก็จะต้องไปทำบาสเพื<ม>่อที่จะได้เอาเงินทองมาหามามากินมาใช้ต่อก<ม>าครคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรก็ไม่ดีเพราะถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรา ถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวถ้าเขาชอบความเกลียดข้านเขาก็จะชวนเราให้เกลียดขานันด้วยเราพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้คบคนพานคนพานก็คือคนที่เสพอบายามุข ค, ค, คนที่ทำบาสนี้อย่าไปคบคนเหล่านี้ เพราเขาจะชวนให้เราไปทำส่วนสิ่งที่เขาชอบทำถ้าเขาชอบอบศอา บ, บายามุกเขาก็ชวนเราไปเศวอ บ, บายามุกถ้าเขาชอบทำบาปลักเล็กขมโมยน้อยชอบโกงลักทรัพย์เขาก็จะชวนให้เราไปทำแบบเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรจะกระทำถ้าเราอยากจะมีมนุษย์รัพยับเป็นสมบัติ ของเราถ้าเราสามารถรักษามนุษย์ทรัพย์ได้ด้วยการรักษาศีล5และไม่เสศุระไม่เสบอบายามุขต่างๆเวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นนสุล ก, กายไม่ต้องไปตกนรกเพราะเหตุที่จะพาให้เราไปมันไม่มีเราไม่ได้ทำเหตุนั้น ก็คือการเสพอบายามุกและการทำกระทำบาสนั่นเองเราก็ยังจะเป็นมนุษย์ต่อไปเราก็สามารถกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้อย่างอย่างอย่างรวดเร็วไม่ต้องไปรับผลบาปนายบาย <c oughs> นี่คือข้อที่หนึ่งซับข้อที่หนึ่งที่ที่เราถ้าเราต้องการที่จะเป็นมนุษย์กัน ตายแล้วให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้ต้องไปรับผลบาปก่อนไม่ให้ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนรกก่อนก็ให้เรารักษามนุษยชาติของเราไว้ให้ดีด้วยการไม่กระทำบาปด้วยการไม่เสพอบา ย, ยามุขถ้าเราสามารถรักษาทรัพย์มนุษยชาติได้แล้วถ้าเราอยากจะมี ทรัพย์ที่ดีกว่าทรัพย์ที่ให้ความสุขมากกว่าเราเราก็จะหาเทวทรัพย์กันวิธีหาเทวทรัพย์ก็คือการทาบุญทาทานนี่เองถ้าเรามันทาบุญทาทานอยู่เรื่อยอเราจะสะสมเทวทรัพย์ไว้ในใจสะสมสวรรค์ชั้นเทพไว้ในใจอพอเวลาร่างกายนี้ตายไป ใจเราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพก่อนไปรับผลของบุญที่เราได้ทำกันไว้บุญที่เราทำจากการให้ทานอย่างเมื่อกี้ชายที่มาทำบุญทำทานอันนี้แหละเป็นการเอาทรัพย์ของร่างกายคือเงินทองมาแลกให้เป็นทรัพย์ภายในมาแลกให้เป็นเทวทรัพย์เพื่อเวลาที่ ร่างกายนี้ตายไปจะได้มีจะได้ไปสวรรค์นันเองไม่ต้องมารอรับให้รอรับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะบุญที่เขาอุทิศให้กับผู้ที่เงรับอันนี้เป็นบุญที่ไม่มากไม่ได้อุทิศได้ร้อยเปอร์เซ็นทำบุญร้อยบาทอาจจะอุทิศได้เพียงบาทเดียวบุญอุทิศนี้มันน้อยมากผู้ทำเองดีกว่า ทำบุญในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อทำร้อยก็เอาไปได้ทั้งร้อยเลยถ้าให้ลูกหลานทําให้ลูกหลานจะเอาไว้เก้าสิบเก้าส่งไปได้เพียงบาทเดียวดังนั้นก<ม>ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่าประมาทให้คิดว่าชีวิตเราไม่ได้จบที่การตายของร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจที่ไม่มีวันตายที่จะต้องไปต่อไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจะเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีหรือภพที่ไม่ดีก็อยู่ที่การกระทาของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราเสพอบายามุกกันเราก็จะไปไม่ดีตายไปเราก็จะไปสู่ภพที่ไม่ดี ถ้าเรารักษาศีลได้ไม่เสพอบายยมุกได้เราก็จะไม่ไปอบายเแล้วถ้าเราทำบุญทำทานเราก็จะไปสวรรค์ก่อนก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาไม่ช้าก็เร็วดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันถึงแม้จะได้ไปทำบาปไปตกนรกไปอยู่เนะอบายพอพ้นจากอบาย ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับพวกที่ไปสวรรค์ชั้ น, นต่างๆก็ก็เช่นเดียวกันพอหมดบุญบุญที่ส่งให้ไปสวรรค์หมดกำลังลงใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จใจที่กลับมาเกิดจากสวรรค์กับใจที่กลับมาเกิดจากกบายนี้จะไม่เหมือนกันผู้ที่มาเกิดเกิดผู้มาจากกายมาดนี้ จะเป็นมาเกิดแบบคนที่มีอาภัพวาสนาเกิดมาก็ยากจนเกิดมาก็บางทีอาการก็ไม่ครบสามสิบสองมีโรคภยัยเบียดเบียนชีวิตไม่ยืนชีวิตสั้นแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวย ง, งามนี่เป็นอนิสง์ของบาปที่ยังติดค้างอยู่ในใจ ที่จะส่งให้ใจที่มาเกิดมาจากกบาลนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ได้อาภพวาาสนาในทางตรงข้ามใจของพวกที่ลงมาจากสวรรค์นี้จะมาเกิดด้วยวาสนาจะเป็นมีมีวาสนาบารมีติดตัวมามมจะมาเกิดร่ำรวยจะเกิด มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีสงาาส่าราศีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ผิวพรรณผ่องใสมีทรัพย์สมบัติมาเกิดเกิดแล้วรวยมีอายุยืนยาวนานไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน นี่คือคุณลักษณะของมนุษย์ที่ลงมาจากที่สูงมาจากสวรรค์ชั้นต่างๆจะเป็นมนุษย์ที่มีบารมี น, นี่คืออ น, นิสงส์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเอาเวลาจากการเอาเวลาไปหาสตางมาหาสติกันเราจะได้อนาคตที่ดีกว่าถ้าเราไม่เอาเวลามาหาสติเลยมัวแต่หาสตาง มัวแต่หาความสุขจากลาบยศเสริญจากรูปเสียงกิริยโสดผระพพราตายไปนี่เราก็อาจจะต้องไปเกิดในอบายถ้าเราทำมากินหรือทำอะไรด้วยด้วยการกระทำบาปต่างๆแต่ถ้าเรามีวันพระเราใช้วันพระนี้มาเป็นวันที่สกัดกั้นการไปเกิดในอบายกัน โดยการมารักษาศีลละเว้นการเสพบาบายามกุกทำอย่างนี้ไปไม่ใช่แต่เฉพาะวันพระวันพระเป็นวันที่เรามาฝึกมาซ้อมกันเพื่อที่วันอื่นเราก็จะได้สามารถรักษาไปด้วยไปต่อไปได้เราต้องรักษาไม่ให้ทำบาปถ้าเรายังทำบาปอยู่เราก็ต้องอาศัยทาบุญมาช่วยต้านบาปที่เราทำ ถ้าบาปมีกำลังน้อยกว่าบุญบาปก็ยังจะไม่สามารถส่งผลให้เราไปเกิดในอบายได้ถ้าเราถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเลยทำแต่บาปนี่มันก็จะไม่มีอะไรมาต้านกำลังของบาปตายไปบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายทันทีดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเพื่อ มีเหมือนกับซื้อประกันอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะไม่ทำบาปเลยเราอาจจะพังเพลและอาจจะถูกอำนาจของโทสะโมหะโลภะกดดันหรือดึงให้เราไปทำบาปได้โดยไม่รู้สึกตัวนั้นเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้ใจเราต้องไปเกิดในอบาย เราก็ต้องพยายามทำบุญไว้ด้วยทำบุญให้มากๆถ้าทำให้บุญมีมากกว่าบาปให้ได้แล้วเวลาที่เราตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปอาบายเราจะได้ไปสวรรค์กันก่อนไปสวรรค์จนกว่าบุญที่ดึงให้เราไปสวรรค์นี้มันอ่อนลงมีกำลังเท่ากับบาปเพราะนั้นบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ เพามัมีกำลังเท่ากันบาปก็เท่ากับบุญอันนั้นเราก็จะไปเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อ น, นี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจของพวกเราเกิดขึ้นกับตัวของเราเองพวกเราเรากับใจก็เป็นคนเดียวกันเรามาเรากับใจนี่แหละเราเป็นผู้รู้ผู้คิดใจเป็นผู้รู้ผู้คิดใจเป็นผู้ทําบุญทําบา น่าใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายสะนแะล<ม>ถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราอยากจะสร้างบุญกุศลให้สูงกว่านี้มากกว่านี้เราก็จําเป็นจะต้องบําเพ็ญการปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าให้มากกว่านี้<ม>ตอนต้นเราก็ละเว้นการเสพอบายามุข เราเว้นการกระทำบาปแล้วก็หมั่นทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้สวรรค์ชั้นเทพไอเราจะได้สวรรค์ชั้นเทพหรือยอย่างน้อยเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ได้ไปสวรรค์เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราอยากที่จะไปสูงกว่านั้นอยากจะมีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพหรืออยากจะไปแบบไม่กลับเลย เพราะว่ามีจุดหนึ่งมีที่ที่ไปที่เราไปแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนั่นก็คือสวรรค์ของพระอริยบุคคลคือพระนิพพานอันนี้เราก็ต้องมีการปฏิบัติทำเพิ่มมากขึ้นกว่าการรักษาศี่ห้ากว่าการทําบุญทําทานถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหม ที่เป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องมีการมาปฏิบัติสองข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้นจากศีลห้าเราต้องมารักษาศีลแปกันเพราะว่าผู้ที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ต้องระงรับการเสพกามต้องออกจากการเสพกามต้องมีเนกขมมะต้องมีถือศีลเนกขมมะ สินเนฆามากก็คือสินแปดนั่นเองสินแปดนี้ก็เพิ่มเพิ่มอีกสามข้อหรือเปลี่ยนอีกข้อหนึ่งข้อที่สามไม่ให้เสกกรรมนั่นเองเช่นสินข้อที่สามของสินห้าก็คือการไม่ประพฤติผิดประเพณีก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองของเราแต่ยังร่วมหลับนอนยังได้ยังหาความสุขจากคู่ครองของเราได้ แต่ถ้ามาถือศีลแปดนี้ข้อนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอบ布拉มจริยาแปลว่าเราจะสือศีลพรหมจันทร์พรหมก็คือไม่เสพกามนั่นเองผู้ที่จะเป็นพรหมนี้ mm hmm. ก็ไม่หาความสุขจากการเสพกามจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าของบุคคลนั้น mm hmm. บุคคล น, นี้ mm hmm. เขาจะแแบหาความสุขจากการทําใจให้สงบหาความสุขจากสันความสงบของใจ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เวลามากต้องมีเวลามากถ้าเวลามาเสกกรรมก็จะไม่มีเวลาไปหาความความสงบได้<ม>ก็เลยต้องมาถือศีลเนี่ยคำว่มมากัน<ม>เปลี่ยนศีลศีลข้อสามของศีลห้าก็เปลี่ยนเป็นอ布 ร, รมจาริยามไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มศีลข้อห<ม>ไม่รับประทานอาหารตามความอยาก สินห้านี้ไม่ห้ามอยากจะรับประทานอาหารวลากี่ครั้งก็ได้รับประทานมากน้อยเท่าไหร่ก็ทำได้แต่มาถึงสินแปดแล้วจะถูกห้ามไม่ให้รับประทานอาหารเพื่อเสพความสุขแต่รับประทานอาหารเพื่อเป็นการบำรุงร่างกายเลี้ยงดูร่างกาย<ม>เหมือนการการกินยา<ม>เวลากินยานี้เราไม่ได้กินเพื่อให้เกิดความสุข เรากินเพื่อรักษาร่างกายเอายาเข้าปากเกินเข้าไปดื่มน้ำตาล<ม>เวลากินอาหารเพื่อร่างกายก็ให้กินแบบนี้อย่าไปสรรหาอาหารที่มีรูปรสสีสารกลิ่นที่ชอบที่ถูกใจแล้วกินตามความอยาก<ม>อย่างนี้มันจะทำให้เป็นกิเลสเป็นกามะฉันทะ<ม>เป็นความอยากเศษการ ม, ม ให้รับประทานอาหารได้แต่รับประทานในลักษณะของการเป็นเหมือนการรับประทานยาอย่าไปรับประทานตามความอยากตามกามอารมณ์แล้วก็ถ้ารับรับประทานตามความอยากก็จะรับประทานหลายขนหลายครั้งด้วยกันในนในแต่ละวันแต่ถ้ามารับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็เอาแค่ก่อนเที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะงดการกินอาหาร ถ้าอยากจะเลี้ยงเลี้ยงร่างกายก็เลี้ยงช่วงเช้าถึงเพีก็พอเที่ยเช้าถึงเที่ยงกินครั้งหรือสองครั้งก็พอถ้าอยากจะเคร่งก็กินครั้งเดียวเหมือนพระปฏิบัติพระปฏิบัติที่ต้องการจะหลุดพ้นอยากจะเป็นพระอริยะท่านก็มักจะถือทุดงควัตคือการฉันมื้อเดียวถ้าศัทธายาโยม อยากจะไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นชั้นชัน้นผมชั้นอริยบุคคลก็ต้องพยายามฝึกการรับประทานอาหารให้น้อยที่สุดรับประทานอาหารพอพออยู่ได้ก็พอกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินกินเพื่อรักษาเลี้ยงดูร่างกายอย่าอยู่เพื่อหาความสุขจากการกินเพราะมันจะทำให้ติดอยู่ในกรรมาพบติดอยู่ในพบของผู้เสกกรรม จะไม่สามารถขึ้นสูงไปก่อนนั้นได้ไปสูงได้อย่างมากก็แค่สวรรค์ชั้นเทพถ้ายังเสดกจามอยู่ถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือไปสู่สวรรค์ชั้นพรมไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยบุคคล<ม>ก็จําเป็นที่จะต้องละเว้นจากการเสดกจามกันกินอาหารก็ไม่ได้กินเพื่ออริยอร่อยเพื่อให้มีความสุขจากการ การกินอาหารหรือการดื่มเครื่องดื่มต่างๆให้กินในลักษณะแบบกินยามีอะไรก็กินมันเข้าไปพอให้มันอิ่มท้องก็ใช้ได้แล้ว<ม>อ น, นี่คือข้อที่หกของศีลแปดข้อที่เจ็ดของศีลแปดก็คือ<ม> <c oughs> ต้องละเว้นการหาความสุขจากการเสพมหหลสุบมหลบบหลสบบันเทิงต่างๆ ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร้องราทําเพลงไม่ทับไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆไม่ไปสถานบันเทิงต่างๆแม้กระทั่งมโทรศัพท์มือถือก็ไม่เปิดดู<ม>ถ้าดูแล้วมันมีรูปเสียงกลิ่นรสที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมามก็ต้องปิดมือมือถือไปเลย<ม>บางวัดบางสำนักนี้เขาจะไม่ให้เอามือถือไป<ม>ถ้าไปถึงวัดเขาก็จะให้เก็บไว้ที่สํานักงานก่น ไม่ให้ใช้เพราะว่ากําลังมาปฏิบัติเนคขมนะคือการออกจากการหากามขขนัสดุการหากามนสุขนี่โทรศัพท์มือถือมันสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการหากำหนัสดุได้แล้วมันจะทําให้ติดมันจะทําให้ไม่มีเวลาไปปฏิบัติอังนี่คือสิ่งข้อข้อเจ็นอกจากการไม่เสพ มรสบันเทงแล้วก็ไม่เสกการเสริมสวยความงามด้วยการแต่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ า, าพรที่วิจิตรพิสดารมีสีมีสันไม่เสริมสวยความงามด้วยการทำเเผาทำผมทำหน้าทำตาไม่เสริมสวยความสวยงามด้วยน้ำหอมน้ำมันอะไรต่างๆอันนี้ต้องละเว้นเพราะนี่เป็นการเสกกาม ถ้าอยากจะไปพรห ม, มโลกไปสู่สวรรค์ท่านพรหมนี้ต้องละกามาโลกให้ได้กามาพบให้ได้ละการเสกกรมเพราะการเสกกรมนี้จะดึงให้ติดติดอยู่ในกามาพบพบของมนุษย์และพบของเทวดาและพบของสัตว์เดราฉาเป็นกามาพบเป็นพบที่ต่างกันพบของพรหมและพบของพระอริยเจ้าที่จะ เสพความสงบแทนการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรดแล้วสี่ข้อที่แปดก็คือไม่หาความสุขจากการลุกจากการหลับนอนวิธีที่จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปก็คือให้นอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเตียงสํารานอันนี้มันจะทําให้นอนนานร่างกายได้พักผ่อนพอเตื่นขึ้นมาแล้ว แต่ใจยังไม่อยากลุกใจยังอยากจะนอนต่อเพราะมันสุขมันสบายแต่มันเป็นความสุขของกามมันไม่ใช่เป็นความสุขของพรมมันเป็นความสุขของกามของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะทําให้ติดอยู่ในกามะพบนั่นเองถ้าอยากจะขึ้นไปสู่พรมอภพของพรมมันก็ต้องสละภพของกามออกไปกามะพบไป นอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าปู ด, ด้วยเสื่อก็พอถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันจะไม่สบายแต่มันก็หลับได้เวลาร่างกาย่วงนอนมันก็จะนอนหลับได้แต่พอร่างกายตื่นได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้เอาเวลามาใช้กับการปฏิบัติสมถภาวนาคือการทาใจให้สงบนั่นเอง การจะทำใจให้สงบนี้ต้องใช้เวลามากต้องมีเวลามากจึงจาเป็นที่จะต้องตัดภารกิจกิจกรรมทางกา ร, รไปให้หมด mm hmm. เพื่อจะได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ mm hmm. และการเจริญสตินี้ mm hmm. ก็จาเป็นทีจ่จะต้องเจริญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย mm hmm. ไม่ ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยเปื่อยไม่ให้คิดเพ้อเจ้อไม่ให้คิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดมันจะทำให้เวลามานั่งสมาธินี้ใจจะฟุ้งซ่านใจจะไม่สงบนั่งแล้วจะไม่เกิดผลขึ้นมาจึงจำเป็นที่จะต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ต้องเจริญสติ วิธีเจริญสติที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปก็มีอยู่สองวิธีคือใช้พุทธานุสติคือให้เราเรือลิกถึงพระพุทธเจ้าตั้งสติให้อยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คอยคุมความคิดไว้ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็จะเดินยืนนั่งนอนก็พุโทโธไปดาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไปเรื่อยเรื่อจนพอเวลาที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วเราก็มานั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปก็ได้ถ้าทําอย่างนี้ได้นั่งสมาธิไม่นานจิตก็จะสงบเข้าสู่ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการของกามมาพบได้นี่คือการใช้พุทธโธใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติเรียกว่าพุทธานุสติคือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธ อ, อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติที่เรียกว่ากายกตาสติให้เราผูกใจไว้อยู่กับร่างกายในทุกิเลียบทร่างกาย ยืนก็ใจก็ยืนกับร่างกายร่างกายเดินใจก็เดินกับร่างกายร่างกายทำอะไรอาบน้ำล้างหน้าแปลงแันใจก็อาบน้ำล้างหน้าแปลงแันไปกับร่างกายทำทำไปกับร่างกายเหม้นเป็นคนคนเดียวกัน mm. กายทำอะไรใจก็ทำทำไปด้วยไม่ใช่ปล่อยให้กายทำอย่างหนึ่งใจไปทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งมักจะเป็นลักษณะของการไม่มีสติ เวลาไม่มีสตินี้เรามักจะทาอะไรร่างกายมักจะทำอะไรอย่างหนึ่งแต่ใจมักจะไปคิดเรื่องอื่นแทงอันนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้าจะให้มีสตินี้กายกับใจต้องทำงานร่วมกันทำงานเรื่องเดียวกันทุกเวลาตั้งแต่เตินขึ้นมาเลยเดินก็เดินด้วยกันนั่งก็นั่งด้วยกันยืนก็ยืนด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกัน พอเวลาไม่ต้องทำอะไรแล้วก็มานั่งเปลี่ยนจากการดูกายมาดูลมหายใจแทนแเรียกว่าอาณาปณ ะ, ะสติคือเอาลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาเป็นที่ตั้งของสติอาณาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก น, นี่สำหรับคนที่ใช้กายกรกตาสติ เป็นการเจริญสติเวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวหรือทำอะไรต่างๆพอร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรมานั่งเฉยๆแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนจากกายากตาสติมาเป็นอาณาปณะสติแทนมาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่เหนือริมฝีปากขึ้นมาดูตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกนักจะอยู่แถวปลายจมูกหรืออยู่เหนือบริเวณฝีปาก รลื่ฟีปากขึ้นมาบริเวณนั้นแหละเราจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้กับการเข้าออกของลมและการดูลมนี้ก็ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไปให้ดูอยู่ที่จุดเดียวพอเราต้องการให้ใจมันนิ่งไม่ต้องการให้ใจเคลื่อนไหวต้องให้อยู่กับจุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกอย่าย้ายที่พอตั้งตั้งตั้งที่ที่จะดูแล้วก็ให้ดูอยู่ตรงนั้นที่เดียว ลมจะเข้าก็ไม่ต้องตามเข้าไปลมจะออกก็ไม่ต้องตามออกมาให้อยู่ที่จุดเดียวให้รู้อยู่ว่าเขาลมกำลังเข้าลมกำลังออกแล้วลมจะมีลักษณะอย่างไรก็ไม่ต้องไปบังคับมันถ้าลมหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นถ้าลมหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปรับลมถ้าลมหยาบก็รู้ว่าลมยังหยาบอยู่ถ้าลมละเอียด ก็รู้ว่าลมละเอียดลมหยาบก็คือลมมันแรงลมละเอียดก็คือลมมันค่อยลมมันเบาลงเมื่อนั่งไปนานๆเข้านี่เมื่อจิตมันจะเริ่มสงบนี้เข้าสู่ความสงบลมมันก็จะเบาลงไปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีรู้สึกว่าลมนี้หายไปก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปวิ่งไปหาลมก็อยู่ที่จุดเดิมนั่นแหละดูตรงจุดเดิม ดูตรงจุดนั้นว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีลมสัมผัสมาแล้วก็ให้รู้เฉยๆไปอย่าย้ายที่อย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปวิตกกังวลว่าลมหายไปลมไม่มีเราจะตายหรือเปล่าลมยังมีอยู่แต่มันละเอียดจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้จากการสัมผัสก็ไม่เป็นไรให้รู้เฉยๆเพราะช่วงนั้นลมจิตกําลังจะเข้าสู่ความสงบจิต ก, กับร่างกายจิต ก, กับลมจะแยกออกจากกัน ก็ให้รู้เฉยๆไปให้ดูเฉยๆไปแล้วพอจิตสงบปั๊บนี่ยลมก็จะหายไปไม่ต้องมาดูลมหายใจอีกต่อไปจิตจะนิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีความอยากไม่มีความลักความชางังความกลัวความหลงจิตตอนนั้นเป็นเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เนื้อแต่ผู้รู้อยู่ตัวเดียว ตัวความคิดดูความรู้สึกนึกคิดต่างๆนั้นจะหายไปในตอนนั้นอยู่กับความว่างอยู่กับความเย็นอยู่กับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอถึงจุดนั้นแล้วก็ใช้สติที่ที่จเจริญอยู่นี้คอยประครับประคองอย่าปล่อยให้ใจเริ่มคิดถ้าใจจะคิดเมื่อไหร่ก็หยุดมันอย่าให้มันคิดให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะงานได้ ถ้าถ้านั่งใหม่ๆครั้งแรกนี้เวลามันเข้าไปมันจะเข้าไปแค่แวบเดียวแล้วมันก็จะถอนออกมาอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วชั่วงูงูแบลบนิ้นชั่วฟ้าแลบซึ่งจะเป็นลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆที่มีกำลังสติยังไม่มากที่จะดึงใจให้อยู่ในสมาธิได้นาน มีกำลังพอที่จะดึงให้เข้าไปได้สงบเพียงช่วงช่วงช่วงขณะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะถอนออกมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาความอยากมันยังมีอยู่มันก็จะผลักดันให้ใจออกมาหาลูกเสียงกิจลดมาเสกกรรมใหม่นั่นเองแต่ถ้าเราฝึกสติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ พอเราได้คันนิกาสมาธิแล้วเราจะได้เห็นความมาสจรัร์ของความสงบของใจว่ามันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันจะทําให้เรานี้ไม่อยากที่จะไปหาความสุขแบบวิธีอื่นอีกต่อไปอยากจะเอาวเวลานี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นพอเราเริ่มให้เวลากับการเจริญสตินั่งสมาธิให้มากขึ้น สติก็จะมีกำลังมากขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปเวลาจิตรวมจิตสงบจิตก็จะตั้งอยู่ในความสงบได้นานขึ้นจิตที่ตั้งอยู่ในสมาธิได้นานขึ้นนี้เราเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธินี้มีอยู่สองลักษณะในการคณิกะสมาธิสงบชั่วแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาอัปปนาสมาธินี้สงบได้นาน ถ้าปฏิบัติฝึกไปเรื่อยๆมีสติมากขึ้นก็ยั่งได้นานบางทีเป็นชั่วโมงก็มีสงบเป็นชั่วโมงเลยก็ได้<ม>อันนี้คือพอจิตสงบจิตก็จะอยู่ในระดับฌานขั้นต่างๆ<ม>ก็จะมีแบ่งไว้สองระดับรูปฌานกับอรูปฌานผู้ที่ได้ความสงบระดับรูกฌานก็จะเป็นรูปปรพี ผู้ที่ได้ความสง บ, บในระดับอรูปปชาญก็จะได้เป็นอรูปปพรมพรมนี้มีสองระดับรูปรูปปพรมกับอรูปปพรมอรูปปพรมนี้ละเอียดกว่ามีความสุขมากกว่าความสุขของรูปปพรมนี่คือการสร้างทรัพย์ภายในระดับระดับพร ม, มทรัพย์ต้องสร้างด้วยการมีสติ มีสีนคือเนื้อขมมะต้องถือสินแเป็นอย่างน้อยสินแปก็ได้สินสิบก็ได้สินสอีก็ได้สินเหล่านี้จะคอยป้องกันไม่ให้ไปหาความสุขทางการรมอีกต่อไปเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับการหาความสุขทางการรมมาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อทำให้ใจรวมเป็นฌานขึ้นมาให้เป็นรูปฌานหรืออารมูปฌานขึ้นมา น, นี้คือความสุขที่สูงกว่าความสุขของมนุษย์ของเทวดาก็คือความสุขของโธมิจะพูดว่าเป็นทรัพย์ก็เป็นทรัพย์ที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ของเทพทรัพย์ของมนุษย์นั่นเองอเวลาตายไปจิตที่มีรูปฌานก็จะไปสู่รูปภพ จิตที่มีอรูปประชานก็จะไปสู่อรูปประพบแต่พบทั้งสองพบนี้ก็เป็นเหมือนพบของมนุษย์ของเทพคือเป็นพบที่ยังต้องเสื่อมอยู่ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่พอกําลังของสมาธิที่ส่งให้จิตไปสู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมหรือสวรรค์ชั้นอรูปประพมอ่อนกําลังลงแล้วจิต ก, ก็จะค่อยๆห ย, ยาบลงมา จากสวรรค์ชั้นพรมพก็จะลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่พวกนี้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะกลับมาเป็นนักบวชกันเพราะจะไม่ชอบหาความสุขจากการเสกกรรมจะไม่ชอบมีครอบครัวจะไม่ชอบไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายต้องจะเป็นคนสมถะเรียบง่าย มักจะอยู่แบบสงบอยู่ตามลำพังเป็นส่วนใหญ่ถ้าบวชได้ก็ออกจะก็จะไปบวชกันเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองแล้วในโลกนี้เราจงมีคนที่หลากหลายด้ยวยกันคนบางคนก็เสพการามกันคนบางคนก็ไม่เสพการามคนบางคนก็ออกบวชกัน ทำไมเขาถึงเขาถูกไปในทิศทางคนละทิศทางกันเพราะว่านิสัยของเขาไม่เหมือนกันบุญที่เขาได้สะสมมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ไม่เหมือนกันพวกที่โกที่เสพกามก็เป็นพวกที่สะสมการเสพกามมาแต่ละภพแต่ละชาติตาเสพกามเสพกามพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบเสพกามพวกที่สะสมบุญหรือปฏิบัติจิตภาวนา ก็จะมีนิสัยติดตัวมากลับมาเกิดเมื่อไหร่ก็อยากจะมาเจริญจิตตะภาวนาต่อไปจะมาเจริญสมถะภาวนา mm. เพื่อทำใจให้สงบ mm. จะไม่ชอบคลุกคลีจะไม่ชอบเข้าสังคม mm. ชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่ที่สงบสงบัดมิเวกหาความสุขจากการทําใจให้สงบ mm. นี่คือสวรรค์ชั้นพรหมที่สูงกว่าชั้นเทพสูงกว่าชั้นมนุษย์ แล้วก็ยังมีสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นโพรมเมที่เราเรียกว่าสวรรค์ชั้นพระอริยะอันนี้เป็นสวรรค์ของพระโสดาบันพระสันติปิดาคามีพระนาคามีณพระานาาเป็นสวรรค์ที่จะไม่มีวันเสื่อมใครได้สวรรค์ชั้นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาใครได้สวรรค์ชั้นนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาถ้าเป็น ถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเก็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะบรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นจุดที่ไม่มีการเีว่ายตายเกิดเด็กต่อไปถ้าได้ขั้นที่สองขั้นสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สามได้ขั้นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไป แต่ยังจะไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมนี้แล้วจะปฏิบัติต่อไปในสวรรค์ชั้นพรหมจนบรรลุถึงพระนิพพานตามลำดับต่อไปเมื่อถึงขั้นพระนิพพานขั้นของพระอราหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้าแล้วจิตก็จะไม่มีกลับมาไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจิตจะไม่เสื่อมลงมาอีกต่อไปเพราะอำนาจของ บุญที่พาให้ไปสวรรค์ชั้นพารยะนี้เป็นบุญที่ทําให้ไม่เสื่อมบุญนี้คืออะไรบุญนี้ก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่เห็นอริยสัจสี่ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์<ม>ที่จะทําให้สามารถตัดความอยากต่างๆเวลาที่มีความอยากโผล่ขึ้นมาในใจได้ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ดึงจิตใจให้เสื่อมลง จากสวรรค์ ช, ช, ชั้นต่างๆลงมา ส, สู่การเป็นมนุษย์คือกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาแต่พอมีปัญญาพอรู้ว่าเหตุที่ทำให้จิตใจเสื่อมทำให้จิตใจสูญเสียทรัพย์อันประเสริฐที่ได้จากการปฏิบัติก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆอพอรู้อย่างนี้เวลาเกิดความอยากก็จะใช้ ใช้สติใช้ปัญญาหยุดมันได้ไม่ทําตามความอยากได้เพราะเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นมันมันก็คือใจพบนี่สิ่งที่กิเลสตหาอยากได้ก็คือการเสพกามการเสพรูปประจานและการเสพอารมณ ป, ประจานี่ซึ่งมันก็ยังเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทรัพย์หรือเป็นสวรรค์ที่ยังเสื่อมได้อยู่ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอนิจจัง อ น, นัตตาอนิจจังก็คือมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาอ น, นัตตาก็คือไม่มีใครไปทําให้มันเจริญไม่ให้มันเสื่อมได้มันเป็นเรื่องของธรรมเป็นกฎของธรรมชาติถ้าใครไปอยากให้มันเจริญไม่เสือ่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นดัง น, นั้นพาริยะบุคคล น, นี้จะเห็นอริยสัจสี่จะเห็นใจรักษณแล้วก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆที่มีแบ่งไว้เป็น สี่ระดับด้วยกันความอยากระดับพระสโสดาบันก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย<ม>ก็จะถูกตัดไป<ม>ความอยากของพระกิลราคามีพระอนาคามีก็คือการอยากเสพกามยังอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่แต่พอเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นร่างกายเป็นซากศพ<ม>เห็นร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามมันก็จะทําให้ความอยากเสพกามนี้มันหมดไปได้ ส่วระดับที่สุดท้ายคือระดับของพระอาหารหันต์นี้ mm hmm. ก็คือความอยากที่ยังคิดว่าจิตนี้เป็นตัวเราเป็นตัวเราเราเป็นเราเราเป็นจิตอยู่พอพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าตัวเรานี้ไม่มีมีแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวเท่านั้น mm hmm. จิตเป็นธาตุรู้ mm hmm. ที่มีความสามารถที่รู้มีความรู้สึกนึกคิดได้แต่ไม่มีตัวตนในในในตัวจิตนี้เลย mm hmm. พิจารณาเห็นด้วยปัญญา mm hmm. ก็จะตัดความอย่าง ที่จะให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เพราะเห็นว่าอาจิตก็เป็นอนิจจังอนัตตามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็จะปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตจิตก็จะหลุดพ้นจากความความทุกข์หลุดพ้นจากอำนาจของการหาความอยากความอยากที่คอยพาให้จิตกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ ก็จะหมดกำลังไปหายไปเมื่อไม่มีเหตุที่จะดึงให้จิตกลับมาเวียนว่ายตายเกิดจิตก็จะไม่กลับมาเกิดต่อไปจิตก็เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ mm ์ hmm. เรียกว่าเรียกว่าเป็นบารมังสุขขัง mm hmm. เป็นจิตที่เต็นไปด้วยความสุข mm hmm. เป็นความสุขที่ให้ความอิ่มความพอ mm hmm. เพราะว่าไม่มีความหิวความอยากหลงเหลืออยู่ในใจนั่นเองเมื่อ mm hmm. ไม่มีความหิวความอยาก การจะไปเกิดเพื่อไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยไม่มีต่อไปเมื่อไม่มาเกิดมันก็ไม่มีทุกข์ตามมาเพราะว่าเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายตามมาความทุกข์ก็จะหมดสิ้นไปอย่างทาวรอย่งที่พระุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกทุกเย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ถึงแม้ว่าจะมาเกิดในพบที่สูงที่สุขอย่างไรจะพบของพรหมพบของเทพพบของมนุษย์ที่ร่ำรวยที่มีบา ร, รมีมากน้อยเพียงไร<ม>ก็ยังทุกขอยู่เพราะเพราะว่ามันยังมีการเสื่อมได้<ม>เป็นมนุษย์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไป<ม>แต่ถ้าไปพานิพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป<ม>าการเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลง นี่แหละคือทรัพย์ที่เราจะพยายามสร้างกันขึ้นไปก็คือนิพพานทรัพย์นี่เป็นทรัพย์ที่สูงสุดทรัพย์ระดับอื่นๆนี้ยังเสื่อมได้เทวทรัพย์ยังเสื่อมได้พรหมทรัพย์ยังเสื่อมได้มีแต่อริยทรัพย์เท่านั้นที่ไม่เสื่อมคือโสดาบันสกติดาคามีอนาคามีและอรหันถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นปุตุชลอีก ถ้าเป็นสกิทาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบันถ้าเป็นอนนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิทาคามีถ้าเป็นอรหันต์ก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นอนนาคามีนีแต่จะขึ้นไปขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานพอถึงขั้นพระนิพพานแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดสิ้นไปความทุกข์ทั้งหลายก็หมดสิ้นไปความหิวโหยความอยากการอยากอยากแน่ อยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆก็หมดไปเจตก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาเรียกว่าบรมมสุขนี่แหละคือทรัพย์ต่างๆทรัพย์ภายในที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราม า, มาสร้างกันขึ้นมาในวันพระนี้เองให้เราอยู่หาสตางกันหนึ่งวันเอาเวลาของวันนี้มาหาสติเพราะการจะสร้างทรัพย์ต่างๆนี้จำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้นา แต่จะรักษามนุษยทรัพย์ก็ต้องมีสติไม่คอยห้ามไม่ให้ไปทำบาปถ้าอยากจะเป็นเทวทรัพย์อยากจะได้เทวทรัพย์ก็ต้องมีสติคอยดึงใจให้ไปทำบุญ <ừ. S 1> ถ้าอยากจะเป็นได้พรหมทรัพย์ก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่คิดบุง๋งกันให้จิตให้สงบให้ได้ถ้าอยากได้อริยทรัพย์ก็ต้องมีสติคอยให้ให้ใจคิดไปในทางอริยสัจสี่คิดไปในทางไตรลักษณ์ ừ. อันนี้จังทุกขังอนัตตา สตินี่แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดในกระบวนการของการสร้างทรัพย์ภายในถ้าไม่มีสติแล้วก็ไม่มีทางที่จะสร้างทรัพย์ภายในได้เลยยังควรหาเวลามาให้กับการสร้างสติด้วยการหยุดการหาสตางค์สักหนึ่งวันอย่างอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเมื่อเราเห็นคุณประโยชน์ของการสร้างสติว่าทําให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้นได้ทรัพย์ที่ดีกว่าทรัพย์ของของร่างกายแล้ว มันก็จะทำให้เราเกิดความยินดีที่อยากจะสร้างสติให้มากขึ้นไปต่อไปเราอาจจะหยุดทำงานสองวันหยุดท้าสตังสองวันมหาสติต่อไปอาจจะหยุดสามมหสติเพิ่มไปเรื่อยๆจนต่อไปก็อาจจะเอาทุกวันมหาสติเลยเออพราะไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับทรัพย์ที่เราได้จากการมีสตินี่เองเพราะว่าจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง บุพ้นจากการทุกตามลําดับของขั้นตอนของการปฏิบัติเดินไปถึงขั้นบุพ้นอย่างถาวรก็จากการมีเวลามาสร้างสติกันนี้เองนี่คือเรื่องที่เราควรจะเอามาพิจารณาและปฏิบัติกันถ้าอยากจะให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขความเจริญการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแจ่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะาวะเรวหาปูระปาวิปุเรนติสาคัลังเอวเมวะอิโตจินางเปตานัง e ุปกะปะติขิตังปัจจิตังสุหังค e ิปเมวาสนิจัตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยทามณิจติอาราโสยทาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรควินัสสตุมาเตปวะตะวันตาบายสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสามิจังุธาปัจจายโน รตารธัมะวะทันติอายุวันสุขังภาฬ า, าช่วงตอไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถา ม, ถามใครมีคาถามอะไรอยากจะถามก็สาียถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใสก่กระดาษส่งข้อความเข้าขมาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ขออกาศครับหลวงพออ่อผู้ติดตามทาง Facebook วันนี้5 4 1ท่านทาง YouTube 3 4 8ท่านทาง y o u t u b ดร r V 61ท่านพิทยุออนไลน์9ท่านขับ h o า s e 4ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ154ท่านรวมทั้งหมด 1,117 ท่านครับ า ก, ก, การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีคำถามจากอินบ็อกซ์มาการภาวนาแล้วจิตรวมดิ่งที่หน้าผากสักพักมีเคลื่อนรัศมีใส่แผ่ออกมาบริเวณรอบรอบศีรษะรู้สึกว่า จิตมีความเป็นอิสระสูงเหมือนอยู่ในอวกาศบางทีก็รู้สึกว่ามีอาการสั่นที่มีความละเอียดสูงมากอยู่ในหัวคล้ายกับการสั่นของโทรศัพท์มือถือครับผมเขากลับขอบพระคุณมากๆครับไม่ได้ถามคำถามนี้เขาบอกว่าเขาภาวนาแล้วจิตรวมหนงที่หน้าผากแล้นของเ <c oughs> ขาเขาไม่ได้ถามอะไรไม่ไงจ้าค่ะ คำถามต่อไปเจ้าค่ะอยากทราบว่าถ้าเป็นตำรวจทำให้โจรกลัวด้วยการข่มขู่เพื่อหาความจรงิงมีการตะอคอกด่าบ้างจะบาปไหมครับถ้าไม่ไปทำร้ายร่างกายเขาก็ไม่บาปถ้าไปทำร้ายร่างกายเขามัก็บาปนรมาสการหลวงพ่อผมเคยนั่งสมาธิแล้วรู้ตัวว่าไม่มีลมหายใจเห็นแต่ความว่างแล้วตกใจคิดว่าตัวเองตาย ถึงถอนออกจากสมาธิจากนั้นก็ไม่เคยเข้าสู่สภาวะนั้นอีกเลยอยากสอบถามว่าถ้าเข้าสมาธิแล้วรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจจะทําอย่างไรต่อไปเพื่อให้อยู่ในสภาวะสภาวานั้นนานๆแล้วจากนั้นจิตจะเป็นอย่างไรต่อไปแค่มีความผิดเข้ามาแบบเดียวสมาธิก็หลุดแล้วขอรับก็ต้องรักษาสติไปเรื่อยๆ อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วจิตก็จะสงบต้องทํามีสติถ้าอยู่กับลมก็อยู่อยู่กับลมไปถ้าอยู่กับพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่าอย่าทิ้งสติอ่อาใชรับกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับเมืออ่ อ, อกี้ที่พระอาจารย์ได้ได้เทศนาเกี่ยวกับอริยสัจสี่นะครับที่ว่าเรื่องทุกข์เนี่ยนะครับ แล้วก็ได้ยินว่าที่บอกว่าทุกเป็นของกําหนดรู้เนี่ยเป็นของที่ควรกําหนดรู้เนี่ยในระดับอย่างอย่างชาวบ้านธรรมดาเนี่กนยกําหนดยังไงครับให้รู้ว่า<ำ>ทุกอยู่ตรงไหนครับทุกเกิดขึ้นตอนไหนก็เกิดขึ้นตอนแก่ใช่ไหมตอนเจ็บใช่ไหมตอนตายอย่าลืมว่าทุกรอเราอยู่กันะเราต้องหาวิธีกําจัดความทุกเหล่านี้ให้ได้ เพียงแค่กำหนดรู้อย่างเดียวครับอย่างที่พระเจ้าสอนให้เราลืล่อนถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆสอนใจให้รู้อยู่เรื่อยๆนั่นก็คือการกำหนดรู้ใช่ไหมครับการให้เรียนรู้ว่าทุกเป็นอย่างไรทุกก็คือทุกทุกตอนแก่ทุกตอนเจ็บทุกตอนตายครับแล้วขออนุญาตเรียนถามอีกนิดหนึ่งผมไม่น่าจะสับสนหรือเปล่าระหว่างว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความสุขก็คือ ค, อความทุกข์ คือหมายความว่าไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างนี้จะเรียกว่ากําหนดรู้ความสุขก็คือความทุกข์ด้วยหรือเปล่าครับคือนี้เป็นระดับปัญญาใช่ไห้รู้ว่าสุขที่เราสัมผัสจะมันมันแค่สุขชั่วคราวพอมันหมดมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปครับแทนมันมีความสุขที่มีความทุกข์ตามมาอย่าไปแสวงหาความสุขแบบนี้กันให้หาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมา เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบครับก็ขออนุญาตเรียนถามทางสบายเลยจ้ะครับหมดแล้วเหละหมดแล้วครับเข้าใจไหมที่ต่อมานี่ก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าทั้งความสุขทั้งความทุกข์ก็ควรจะกําหนดรู้หมดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ต้องรู้แล้วก็รู้ว่าอันไหนมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ก็อย่าไปหามันเลให้มาเอาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขที่นึ่งความทุกก็คือคารสุกที่เกิดจากการทําใจให้สง บ, บส่วนความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวได้สิ่งของต่างๆมานี่ยเนความทุกข์เดี๋ยวมันพอมันหมดไปมันจะทําให้เราทุกข์แล้วก็ความทุกข์กายความทุกข์ใจเนี่ย <c oughs> ก็ควรกําหนดด้วยกาทุกอย่างนะที่ที่มันให้ความสุขกับเรารแล้วมันดูว่ามันสุขอย่างเดียวแล้วมันสุขแล้วมีทุกข์ตามมาหรือเปล่า ุกกายไม่นก็ดีว่าต้องทุกข์ทางกายไม่ใช่เลย <c oughs> ตอนนี้สุขเพราะร่างกายมันยังแข็งแร ง, งไม่เจ็บคไายได้ป่วย <c oughs> เดี๋ยวพอมันเริ่มเจ็บไายได้ป่วยขึ้นมาสุกกายก็หายไปเหลือแต่ทุกข์กาย pues <c oughs> แล้วก็อย่าไปแสวงหางความสุขทางกาย <c oughs> <c oughs> ครับนก็สรุปว่าสุขความความสุขทุกชนิดในเรื่องนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยา ง, ง่ายๆเพราะมันไม่เที่ยงครับเในนิจังครับ ให้ครัความสุขที่แบบเที่ยงนี่แบบคือความสุขที่เกิดจากความสงบเ ข, ข้าใจแล้วครับขอบขอบพระคุณครับมีคำถามจากเฟซบุ๊กจ้าขออนุญาตถามค่ะพิจารณาทุกอย่างมีมามีไปมีได้มีเสียทุกอย่างสิ้นสุดคือการไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะทุกอย่างไม่เที่ยงตอนเช้า ตอนขายของลูกไม่มีลูกค้าเกิดพิจารณาได้แบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะให้ไม่ให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราอย่าไปยึดติดกับมันเข้าใจไหอมั น, ม, นมันไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดติดเวลามันหมดไปมันจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปยึดติดเวลามันหมดไปเราจะไม่ทุกข์คำถามจาก Youtube กราบเรียนถาม ทำสมาธิบางช่วงสงบเกิดปิติขนลุกบางครั้งไม่เกิดก็ภาวานาพุโทโธพุโทโธพุโทโธใหม่แต่เหมือนจะรู้สึกเคร่งคายโดนกดข่มไม่ไม่ปลอดโปร่งรล่งสบายเหมือนก่อนที่เคยทำมากราบขอคำแนะนำด้วยครับเพราะความอยากให้มันสงบนะมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกมันมันทุกข์ขึ้นม า, าเวลาภาวานาอย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้ในอดีต เคยได้ความสงบในอดีตอย่าไปอยากให้มันสงบในคราวนี้เพราะพอไปอยากแล้วมันจะไม่ได้มันไม่ได้ภาวนามันก็จะไม่สงบพอไม่สงบมันก็จะเครียดขึ้นมาดังนั้นเวลาภาวนาอย่าไปคิดถึงอย่าไปอยากให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วให้อยู่กับสติให้อยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมไปมันจะสงบไม่สงบอยู่ที่สตินี้ตัวเดียวมันจะอยู่ที่ความอยาก จา้าค่ะคำถามต่อไปขออนุญาตสอบถามว่าหากปวดเป็นพระแล้วนำปัจจัยที่ได้จากการถวายไปส่งเคราะ์พ่อแม่ญาติพี่น้องจะผิดพระธรรมวินัยไหมครับกลับกับพระคุณครับโต๊ะจะอนุญาตให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้สองคนแค่นี้แต่คนอื่นก็ปล่อยเขาเลี้ยงตัวเขาไปเถิดเงินศาสนานี่ก็มีไว้เพื่อทำโน้มนาวโลกวิศาสนาน แต่ถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาพ่อแม่ได้พ่อแม่ไม่มีข้าวกินก็แบ่งอาหารที่ได้จากบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้เ อ, องเจ้าค่ะกับคำถามจากเฟ e b o ๊กกราบขออนุญาตเรียนถามค่ะความอยากอยากทาบุญอยากฟังธรรมความอยากนี้ถือเป็นความทุกข์ไหมคะความอยากนี้เป็นสุขเพราะว่ามันนำนามาสู่ความสงบเป็นธรรมะ คำถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะเจ้ากรรมนายเวรมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่อย่างไรคะก็ะวีบากกรรมของเราเนี่ยคือเจ้ากรรมนายเวรคนที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเนี่คเอเจ้ากรรมนายเวรของเราค่ะคำถามจาก youtube เจ้าค่ะกลับ น, นันทบิษก า, ารพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนสอบถามว่าเป็นคนโกรธง่ายโทสะจริตแรงจะแก้ไขอย่างไรให้มีจิตที่ดืีขึ้นให้จิตนิู่เบิกขาเจ้าค่ะ ก็ต้องฝึกเมตตาให้อภัยใครจะทำอะไรให้เราโกรธล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่องคำว่าไม่เป็นไรไว้มีคำถามจากหนาฤฤฤฤฤ้ากุฏิจ้ะค่ะขอคำแนะนำว่าใช้โซเชียลมีเดียไม่ไปหลงกับการมีตัวตนเพราะในบางทีก็ยังจำเป็นต้องใช้ในการเผยแพร่และทำงาน คื อ, อของเหล่านี้มันมันเป็นเหมือนมีดเป็นเครื่องมือคนที่รู้จักใช้มีดก็เอามีดไปทำประโยชน์ได้ไปตัดต้นไม้ไปทําอะไรไปทําคับข้าวกรอกปลาได้แต่คนที่ไม่ฉลาดก็อาจจะเอามาทิ่มแทงตัวเองได้ดังนต้องระวังให้รู้จักใช้สื่อต่างๆเครื่องมือต่างๆศึกษาให้ดีวิธีใช้ที่ให้เป็นประโยชน์ใช้อย่างไรวิธีที่ใช้แล้วเกิดโทษ ใช้อย่างไรจะได้หลีกเลี่ยงการใช้ที่ทำให้เกิดโทษให้ใช้แต่วิธีที่ทำให้เกิดคุณเกิดไปเองเช้ค่ะคำถามหมดแล้วเช้าค่ะคถ้าหมดแล้วก็เอานนี้ก่อนเนาะนี้เสียงนกมันดังมันขาดหูพูดฟังมันก็ด้ยินก็ขอให้ท่านจรงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิจิเจรณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ